ตอนที่สิสี่จิวหลิงคืออัจฉริยะจนกระทั่งเดินออกมาจากประตูสำนักงานเขตโจเวหมินก็ยังคงรู้สึกมึนงงไม่หายเมื่อครูผู้อำนวยการเจ้าบอกว่าชาวปนัสถานไห่เฉิงจะเริ่มเปิดใช้งานในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสแสดงความมุ่งมั่นสู่มา่านอินถึงกับหยิบหนังสือสัญญาที่เขียนเตรียมไว้ล่วงหน้าออกมาแถมยังลงชื่อและประทับลายนิ้วมือต่อหน้าทุกคนอีกด้วยแม่เล็กครับต่อให้ต้องเผาศพจริงๆพวกเราก็ โจวิหมินอยากจะแสดงความเห็นต่อการกระทำของซูมานอินแต่หลังจากครุ่นคิดอยู่นานเขาก็หาคําศัพท์ที่เหมาะสมไม่ได้เจ้าคิดว่ามันดูเออเกลเเกินไปใช่ไหมล่ะซูมานอินยิ้มพางถามกับเธอหันไปมองชินเสี่ยวเยเว่ที่นั่งอยู่บนเบาะหลังรถจักรยานและใช้ผ้าเช็ดหน้าบังลมไว้เสี่ยวเยเว่เจ้ามีความเห็นว่าอย่างไรแน่นอนว่าต้องสนับสนุนการตัดสินใจของแม่เล็กอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ชินเสี่ยวเยาทำหน้าประจบประแจงก่อนจะหันไปเตือนโจวเวยหมินที่ขี่จักรยานอยู่ข้างๆที่รองในเมื่อพวกเราทำเรื่องดีๆไปแล้วจะปิดบังไว้ทำไมละ่ะอีกอย่างทางสำนักงานเขตและทางอำเภอก็ต้องการตัวอย่างเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้วยพวกเราจะเห็นแก่ตัวเกินไปไม่ได้นะโจวเวยหมินรู้สึกมึนงงอีกครั้งมันเป็นเหตุผลแบบนี้จริงๆหรือเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแต่ก็บอกไม่ถูกว่าคืออะไรเมื่อกลับถึงบ้านซูมานอินก็หยิบปากกาขึ้นมาเริ่มขีดเขียนลงบนโต๊ะอีกครั้ง ชินเสี่ยวเยเวที่กําลังเคี้ยวปาท่องโกะที่ซื้อมาตามทางเดินเข้ามาดูใกล้ๆเพื่อนรักแม่เล็กทําอะไรอยู่อีกหนะตอนนี้แม้จะไม่มีคนนอกอยู่ด้วยชินเสี่ยวเย่าก็คุ้นชินกับการเรียกเธอว่าแม่เล็กไปเสียแล้วเจ้าเป็นคนสายข่าวคงไม่ได้คิดจะเปลี่ยนสายไปเป็นนักประดิษฐ์หรอกนะไม่ใช่การประดิษฐ์แต่มันคือการเริ่มต้นธุรกิจต่างหากซูมานอินวางปากกาลงแล้วชูรูปพิว่าเสร็จแล้วให้ชินเสี่ยวเยาว่าดูโรเจียหมัว นี่คือใบเบิกทางสําหรับเงินก้อนแรกในการทําธุรกิจของพวกเราฉินเสี่ยวเย้าวขมวดคิ้วสิ่งนี้มันจะไหวเหรอทําไมจะไม่ได้หลักขนาดเจียจื๊ปิ่งที่รสชาติแย่ขนาดนั้นยังมีคนซื้อเลยข้าไม่เชื่อหรอกว่าโรคเจียหมัวนี่จะขายไม่ออกพอฉินเสี่ยวย่าได้ยินเช่นนั้นก็พันตรธนักได้ทันทีอ้อที่แท้ผู้อํานวยการกู้ก็เป็นคนให้แรงบันดาลใจในการสร้างความร่ารวยแก่เจ้านี่เองซูมานอินคอนใส่เพื่อนรักวงหนึ่งมันคือเจียจืปิ่งไม่ใช่คน ชินเสียวย่วย่ไม่ได้เถียงกับเพื่อนรักต่อเธอนั่งลงข้างๆแล้วเริ่มวาดฝันตามถ้าขายได้พวกเราก็รวยแต่ถ้าขายไม่ได้พวกเราก็ยังมีเนื้อกินไม่เลอเลยค่าสนับสนุนซูมานอินพยักหน้ายิ้มๆจะสนับสนุนแค่ปากไม่ได้นะพวกเราต้องเริ่มลงมือทํากันได้แล้วพอได้ยินว่าต้องลงมือทําเองชินเสี่ยวยาวก็เริ่มรู้สึกขยาดเดี๋ยวนะเจ้าแน่ใจหรือว่าต้องให้ข้ากับเจ้าลงมือทําเองจริงๆไม่อย่างนั้นละ่ะซูมานอินมองชินเสี่ยวเยเวอย่างไร้คําพูด เจ้าคงไม่ได้คิดว่าแค่จินตนาการเอาเองแล้วจะทำธุรกิจได้หรอกนะชินเสี่ยวเย่เว่ยมองซูมานอินตาปริบๆเธอคิดแบบนั้นจริงๆนั่นแหละซูมานอินตบไหลเธอเอาละเพื่อนรักเริ่มลงมือกันเถอะทั้งสองคนไปขอยืมหัวเชื้อแป้งมาจากเพื่อนบ้านจากนั้นก็หัดนวดแป้งและหมักแป้งระหว่างรอแป้งฟูทั้งคู่ก็เริ่มปรุงน้าจิม้มแต่ทว่าทุกครั้งที่ปรุงออกมากลับไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ชินเสี่ยวเยเวเห็นว่าเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วจึงเดินไปที่ลานบ้านเพื่อดูแป้งในกระมังเธอเปิดฝาออกเห็นแป้งพองตัวขึ้นมาก็รู้สึกดีใจแต่พอขยับเข้าไปดมใกล้ๆอารมณ์ดีๆก็มาลายหายไปทันทีเพื่อนรักแม่เล็กแป้งนี้ทำไมค้าดมแล้วมันได้กลิ่นเปรียปร้ยวๆละ่ะไม่ใช่แค่เปรี้ยวแต่มันยังมีกลิ่นเหม็นอ่อนๆ อ, อ, อีกด้วยซูมานอิมขยับเข้าไปดูแล้วพูดอย่างไม่แน่ใจหรือว่ามันต้องเป็นกลิ่นแบบนี้อยู่แล้วนะชิ้นเสี้ยวเยเวหมดแรงทันที เธอวางกะละมังลงบนโต๊ะอย่างแรงแล้วนั่งลงบนเก้าอี้พับตัวเล็กพางถอนหายใจอย่างกลัดกลุ้มพวกเราสองคนที่เป็นพวกแยกแยะธนญพืชไม่ออกแบบนี้มาทําธุรกิจอาหารมันคือการหาเรื่องใส่ตัวชัดๆเฮาเสียแป้งไปหนึ่งกะละมังฟรีๆเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิพวกเราจะพึ่งพาคนอื่นไปตลอดไม่ได้หรอกนะซูมานอินพูดปลอบใจไปอย่างนั้นแต่เมื่อเห็นแป้งที่เปรี้ยวบูดกะละมังนี้ในใจเธอก็เริ่มหม่นใจเช่นกันหรือว่าเธอจะตัดสินใจผิดพลาดจริงๆ ขณะที่กําลังกลุ่มใจอยู่นั้นเสียงของซุนจิ๋วหลิงก็ดังมาจากหน้าประตูแม่เล็กน้องสะพ้ยอยู่บ้านกันทั้งคู่เลยนะจ๊ะซุนจิ๋วหลิงถือจานที่ใส่กุยช่ทอดมาเต็มจานโดยมีต้าฮวาและเสี่ยวสวีเดินตามเข้ามาในลานบ้านกุยช่ที่ปลูกไว้หลังบ้านโตพอดีเลยทำกุยช่ทอดมาให้จะแม่เล็กน้องสะพยลองชิมดูสิซุนจิ๋วหลิงวางจานลงบนโต๊ะ เมื่อเห็นแผ่นแป้งที่ทอดจนเป็นสีเหลืองทองด้วยน้ำมันทัวเหลืองบริสุทธิ์พร้อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆของกุยช่ายฤดูใบไม้ผลิทั้งสองคนก็พันรู้สึกอยากอาหารขึ้นมาทันทีชิ้นเสี้ยวเหยาเย้ยขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วกัดลงไปดวงตาของเธอพันเปล่งประกายไม่จริงหน้ากุยช่ายทอดนี่ทําไมมันอร่อยขนาดนี้ละ่ะเมื่อเห็นชิ้นเสี้ยวเยเวผู้รักการกินเนื้อเป็นชีวิตจิตใจออกปากชมขนาดนี้ซูมานอิงกอดไม่ได้ที่จะหยิบขึ้นมาชิมบ้างแผ่นแป้งหอมกลุ่นแถมผิวนอกกินมีความกรอบเล็กน้อย กุยช่ายพรเป็นรุ่นแรกของฤดูการจึงทั้งสดและหอมมากไข่ที่อยู่ข้างในก็หอมสุดๆแค่กินคําเดียวก็รู้เลยว่าเป็นไข่ไก่บ้านจริงๆ จ, จิวหลิงไม่นึกเลยว่าแค่กุยใช่ายทอดธรรมดาๆเจ้าจะทําออกมาได้อร่อยขนาดนี้หากคุณแม่เล็กชอบวันหลังข้าจะทําให้ท่านทานอีกนะจ๊ะซุนจิวหลิงยิ้มตอบพรางเหลือไปเห็นกะละมังใสแป้งที่เปิดทิ้งไว้บนมุมโตจึงเอ่ยถามขึ้นมาคุณแม่เล็กพวกท่านจะนึ่งมันโถกันหรือจ๊ะไม่ใช่มันโถห ร, รอกเป็นโม่นะ่าเป็นโม่แบบจี ซูมานอินอธิบายคล้ายๆกับแป้งทอดที่ใช้แป้งหมักแต่น่าเสียดายแป้งของพวกเรามันเปรี้ยวไปหน่อยเปรี้ยวหรือจ๊ะซุนจิวหลิงขยับเข้าไปใกล้พลางก้มลงดมจากนั้นก็ตกมือเบาๆไม่เป็นไรจะเติมเบกกิ้งโซดาลงไปนิดหน่อยก็ไม่เปรี้ยวแล้วทำแบบนั้นได้ด้วยหรือซูมานอินประหลาดใจเล็กน้อยจิวหลิงเจ้ายังรู้เรื่องเคมีด้วยหรือนี่ เ, เคมีคืออะไรหรือจ๊ะซุนจิวหลิงงง ทำอาหารเขาก็ทํากันแบบนี้ไม่ใช่หรือจะทับเปรี้ยวก็เติมเบกกิ้งโซดาลงไปหน่อยแต่ห้ามใส่เยอะเกินไปไม่อย่างนั้นรถจะเฟื่องดังเอาได้ซูมานอินกับฉินเสี่ยวเย่เว่สบตากันแล้วก็มีความเห็นตรงกันทันทีจิวหลิงงั้นจะมาช่วยข้าหน่อยลองจีโมดูสักแผ่นสิข้าจะทําได้หรือจะ๊ะซุนจิวหลิงลังเลข้าไม่เคยเห็นโม่ที่ท่านว่าเลยนะจะ๊ะง่ายมากเลยก็แค่คลึงแป้งเป็นเส้นยาวรีเทแบนแล้วม้วนเป็นแผ่นจากนั้นก็เอาไปจีโดยไม่ต้องใช้น้ํามันก็พอ ซูมานอินเองก็ไม่รู้วิธีทําที่แน่ชัดจําได้ลางๆว่าในคลิปวิดีโอทําประมาณนี้ซุนจิ๋วหลิงขมวดคิ้วฟังพางคํานวณในใจทันทีในเมื่อคุณแม่เล็กเชื่อใจข้าขนาดนี้ข้าก็จะลองดูจ้าที่สไยรองข้าจะช่วยดูเด็กๆให้เองชินเสี่ยวเย่เว่ดึงตัวต้าฮวาและเสี่ยวสวี่มาไว้ข้างกายทันทีซูมานอิงคอนใส่ชินเสี่ยวย่ยาไปวงหนึ่งเยคนนี้ยอมเลี้ยงเด็กดีกว่าเข้าครัวจริงๆ ซูมานอินไม่ได้เร่งรัดนางเพระเด็กสองคนก็จําเป็นต้องมีคนคอยเฝ้าจริงๆซุนจิวหลิงกางแผ่นไม้นวดแป้งโรยแป้งโนลงไปชั้นหนึ่งแล้วหยิบแป้งในกะละมังออกมาเริ่มนวดท่วงท่าทั้งหมดลื่นไหลประดุดสายน้ําดูแล้วช่างเป็นความงดงามของการทํางานจริงๆซูมานอินคอยอยู่ข้างกายนางมองดูนางจัดการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมรอยยิ้มที่ประดับบนใบหน้าในใจพลันเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าทำไมโจเวหมินถึงได้รักผู้หญิงซื่อๆคนนี้เสหลือเกินคุณแม่เล็กดูสิจ้าใช่แบบนี้ไหม สุนจิวหลิงประคองแผ่นแป้งดิบขึ้นมาสู่ม่านอินขยับเข้าไปดูใกล้ๆแล้วอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาใช่เลยหน้าตาแบบนี้แหละจิวหลิงเจ้าเก่งเกินไปแล้วซุนจิวหลิงถูกชมจนใบหน้าแดงระเรือ่อคุณแม่เล็กข้าก็แค่ทําอาหารเป็นจะนับว่าเก่งอะไรกันจ้าสุนจิวหลิงกล่าวอย่างขัดเขินคุณแม่เล็กต่างหากที่เก่งข้าได้ยินวิหมินบอกว่าแม้แต่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตยังเกรงใจท่านเลยไม่เหมือนกันหรอกการทําอาหารเก่งก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่ง ใช่แล้วเรื่องนี้ข้าเห็นด้วยอย่างยิ่งชินเสี่ยวเย่เยอกมือขึ้นสนับสนุนอยู่ข้างๆเด็กทั้งสองคนก็ทําตามยกมือน้อยๆขึ้นมาด้วยซุนจิ๋วหลิงทําตามความต้องการของซูมานอินจี่แป้งในกระทะเหล็กไม่นานโมก็สุกออกมาหลายแผ่นคุณแม่เล็กน้องสะพ้ยพวกท่านดูสิใช่แบบนี้ไหมจ๊ะทั้งสองคนที่กําลังเล่นกับเด็กๆ เ, เห็นว่าโม้จีเสร็จแล้วก็จูงเด็กๆ เ, เข้ามาหาชินเสี่ยวเย่อเยือกขึ้นมาแผ่นหนึ่งกัดลงไปคําโตโดยไม่กลัวร้อนจนน้าตาแทบไหลออกมาทันที ที่สภัยรองท่านนี้มีความสามารถจริงๆซูมานอินเองก็หยิบขึ้นมาชิมแผ่นหนึ่งพันดวงตาเป็นประกายขึ้นมาจิวหลิงดูท่าว่าวัานหน้าคงต้องรบกวนเจ้าแล้วล่ะ